พระพุทธศาสนาที่พวกเราคารบนับถือศรัทธาเป็นศาสนาเดียวของโลกที่จะสามารถพาให้ผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อเดินไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่มีศาสนาไหน ที่จะทำให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นจากวัตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้มีพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวเพราะมีบุคคลเดียวคือพระพุทธเจ้าที่จะมีความรู้ความสามารถค้นพบทางที่จะนำพาไปสู่การ ห้นได้นอกนอกนั้นไม่มีใครที่จะมีความรู้ความสามารถพอที่จะค้นพบทางนี้ได้ผู้ที่ได้มานับถือพระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นผู้ที่มีโชควาสนาเป็นอย่างมากมีโอกาส ที่จะได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้เพราะการเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนากันเพราะอะไรเพราะว่าเป็นความทุกข์นั่นเองเกิดมาแล้วก็ต้องมาดิ้นรนต่อสู้กับการเลี้ยงดูอัตภาพร่างกาย แล้วก็ยังต้องมาพบกับความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตายไปในที่สุดแต่สัตว์โลกก็ไม่รู้จากวิธีที่จะดุดออกจากวัตฏะแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้หลังจากที่ตายไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ แล้วก็พอตายไปก็กลับมาเกิดใหม่เพราะไม่รู้วิธียับยังวัตตะวงจรของการเกิดแก่เจ็บตายนี้เองนอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่รู้แล้วพอพระองค์ทรงรู้ และสามารถตัดวงจรแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้แล้วพระองค์ก็ทรงนำความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่มีความปรารถนาที่อยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดนี้ผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้ รับผลอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงได้รับคือการสิ้นสุดของการเกิดแก่เจ็บตายตักคนเหล่านั้นเราเรียกว่าพระอรหันตสาวกเป็นผู้ที่มีความปรารถนาที่อยากจะยุติการเกิดแก่เจ็บตายมีความศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วนำเอาปล่อยปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอย่างเต็มที่ทนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันขึ้นมามีเป็นจำนวนมากนับตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคำสอนมีมาทุกยุคทุกสมัยมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ เพราะคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นอากาลิโกโค์คือเป็นคําสอนที่ไม่ได้เสื่อมไปตับกับการกับเวลามีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างไรในสมัยพระพุทธกาลก็มีประสิทธิภา พ, ม, ภาพมีประสิทธิผลในสมัยปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันเพราะหลักของเหตุผลนี้ ไม่ได้เปลี่ยนไปตามการตามเวลาเหตุก็คือการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าผลก็คือการมรุมักผลนิพานนี่ทำนี่คือคําหมายว่าธรรมังอากะธรรมะเป็นอากาลิโกคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นอากาลิโก ไม่ได้ขึ้นกับการกับเวลาไม่ได้เสื่อมไม่ได้หมดประ ส, สิทธิภาพไปตามการตามเวลาเหมือนกับสิ่งต่า ง, า ง, างๆที่มีอยู่ในโลกนี้สิ่งต่างๆในโลกนี้ตกอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังคือความไม่ถาวรคือมีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อม มีการเกิดก็มีการดับแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีวันเสื่อมแต่ทำไมพระพุทธศาสนาจึงมีวันที่จะหมดไปจากโลกนี้ที่พระพุทธศาสนาหมดไปจากโลกนี้พราะเกิดจากการเสื่อมศรัทธาของผู้มาศึกษามาปฏิบัตินั่นเอง ถ้าผู้ที่มาศึกษามาปฏิบัติหรือคือพระพุทธศิพุทธศาสนิกชนเกิดความเสื่อมความศรัทธาในการที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพ ร, พ, พระพุทธศาสนาก็จะไม่มีผู้ที่จะมาสืบทอดพระธรรมคําสอนอันประเสริฐนี้ให้ไปสู่บุคคล รุ่นลูกรุ่นหลานเช่นถ้าไม่มีศรัทธาก็จะไม่มีการมาบวชไม่มีการมาริ่มเรียนไม่มีการเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเพราะไม่มีการปฏิบัติก็จะไม่มีการบรรลุมรรคผลนผิพพานกันเมื่อไม่มีการบรรลุก็จะไม่มีการเผยแผ่สั่งสอนเพราะผู้ที่จะเผยแผ่สั่งสอน พรธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างมีประสิทธิภาพได้ต้องเป็นผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วคือพระอริยสงฆ์สามกทั้งหลายถ้าเป็นหนังสือเป็นพรธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นผู้ศึกษานั้นจะบางคนก็อาจจะสามารถที่จะปฏิบัติตามได้ บางคนก็อาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามได้เพราะไม่เข้าใจคำสอนถ้ามีผู้ที่บรรลุธรรมแล้วมาสอนก็จะสามารถอธิบายตอบปัญหาข้อข้องใจต่างๆให้แก่ผู้ที่ศึกษาผู้ที่ปฏิบัติได้ดังนั้นถ้าศรัทธา ของพุทธศาสนิกชนนั้นเสื่อมลงไปก็จะไม่สนใจกับการศึกษากับการปฏิบัติก็จะไม่มีการบรรลุมรรคผล น, ผนิพพานเมื่อไม่มีการบรรลุก็จะไม่มีผู้ที่จะสามารถนําเอามรรคผลนผิพพานนี้มาสอนให้แก่ผู้อื่นได้เมื่อไม่มีมรรคไม่มีผลศาสนาก็จะ เสื่อมหมดไปเหมือนกับศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนที่พระพุทธเจ้าของเราจะมาตัดสรุสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพื่อมรรคเพื่อผลสมัยนั้นก็ไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนหลงเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วเพราะว่าไม่มีใครสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบทอดคาสอนด้วย นั่นเองการจะสืบทอดคำสอนนี้ต้องสืบทอดด้วยการศึกษาและด้วยการปฏิบัติจนบรรลุถึงพระนิพพานถึงจะสามารถสืบทอดได้อย่างถูกต้องแม่นยำถ้าไม่ได้บรรลุธรรมแล้วจะไม่สามารถที่จะนำเอาธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านี้ ออกมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นให้เกิดศรัทธาให้เกิดความเข้าอกเข้าใจที่จะสามารถน้อมนําเอาไปปฏิบัติจนเกิดผลขึ้นมาได้นี่คือความเสื่อมของพระพุทธศาสนาไม่ได้หมายความว่าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นจะหมดประสิทธิภาพไป พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี้ยังมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมอยู่และคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ส่งสอนเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าที่ปรากฏขึ้นมาในอดีตหรือพระพุทธเจ้าที่จะมาปรากฏในอนาคตก็จะมีการสั่งสอนเหมือนกันหมดคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น ก็สรุปลงอยู่ที่สามหัวข้อใหญ่ๆก็คือหนึ่งการทำกุศลให้ถึงพร้อมสองการละบาปทั้งปวงและสามการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ผู้ใดาสามารถนำเอาคำสอนสหัวสามหัวข้อใหญ่ๆนี้ มาปฏิบัติได้ก็จะสามารถบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้ดังนั้นพวกเราผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามีศรัทธาความเชื่อในการตัดสืบของพระพุทธเจ้ามีความเชื่อในการบรรลุ ถึงพระนิพพานของพระอรหันตสาวกุกพวกเราก็ต้องเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพยายามนำนำเอามาปฏิบัติให้ได้เชื่อว่าถ้าปฏิบัติแล้วจะได้ผลไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดจะมีพระพุทธเจ้าประทับอยู่ต่อหน้าเราหรือ ไม่ก็ตามจะมีพระอาหารหันตสาวกสั่งสอนเราต่อหน้าต่อตาเราหรือไม่ก็ตามแต่ถ้าเรายังมีคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรายังสามารถที่จะบําเพ็ญที่จะปฏิบัติให้บรรลุถึงมรรผลนิพพานได้อย่างแน่นอนไม่ต้องรังเลยไม่ต้องสงสัยขอให้ทุ่มเทชีวิตจิตใจ ให้กับการปฏิบัติเถิดให้กับการศึกษาเถิดแล้วปฏิเวทก็คือผลของการปฏิบัติย่อมปรากฏขึ้นมาตามลําดับอย่างแน่นอนช้าบ้างเร็วบ้างขึ้นอยู่กับกําลังของผู้ปฏิบัติเองนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนา ที่เราเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเราเป็นผู้ที่เหมือนกับคนตาบอดที่คำทางหาทางกลับบ้านของเราวันนี้หรือชาตินี้พบนี้เราโชคดีได้มาพบกับผู้นาทางที่จะพาเราให้ได้กลับไปสู่บ้านของเราบ้านที่เราแสวงหากันมา เป็นเวลาอันยาวนานพวกเราเกิดแก่เจ็บตายกันมานี่ก็เพราะเราแสวงหาบ้านของเรากันทั้งนั้นแต่เราไม่ได้ไปเจอบ้านของเรากันไปเจอบ้านของคนอื่นไปเจอบ้านของคนอื่นก็อยู่อาศัยได้เชื่วคราวแล้วก็จะต้องย้ายบ้านไปเรื่อยๆ คือร่างกายของเรานี้เป็นเหมือนบ้านชั่วคราวของพวกเราพวกเรามาอาศัยร่างกายนี้เพราะเราคิดว่าเป็นที่จะให้เราอยู่อย่างปลอดภัยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ภัยต่างๆแต่เรามาเกิดกี่ครั้งกี่หนเราก็หนีไม่พ้นความทุกข์ต่างๆที่เรา จะได้รับจากบ้านที่เราเข้ามาอาศัยอยู่นี้เพราะเราไม่รู้จักบ้านไม่รู้จักทางที่จะพาเราไปสู่บ้านที่เราปรารถนากันนั่นเองคือบ้านที่มีแต่ความสุขด้านที่ปราศจากความทุกข์ต่างๆมีผู้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นพระองค์แรกที่ คนพบทางที่จะพาไปสู่บ้านที่พวกเราทุกคนปรารถนากันก็คือพระนิพพานออทุกวันนี้เราทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทำอะไรต่างๆนี้เป้าหมายหลักของพวกเราก็อยู่ตรงที่การบาบัดทุกบำบับำงสุขนี่เองไม่ได้ทำเพื่ออะไรออแต่การกระทาของพวกเรานั้น แทนที่จะเป็นไปตามความปรารถนาของพวกเรากลับเป็นไปทางตรงกันข้ามกันแทนที่จะบ ำ, บ, ำบัดทุกข์บำรงสุขเรากลับมาบำบัดสุขบำรงทุกข์กันพวกเราจึงมีแต่ความทุกข์กันอยู่เรื่อยๆความสุขเราก็บำบัดทำลายมันไปอยู่เรื่อยๆเพราะเราไม่รู้ว่าความสุข นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและความทุกข์นั้นดับได้ด้วยอย่างไรนั่นเองแทนที่จะดับความทุกข์เรากลับไปดับความสุขแทนที่จะสร้างความสุขเรากลับไปสร้างความทุกข์กันเพราะเราเป็นเหมือนคนตาบอดคนตาบออนี่จะไม่รู้เหนือรู้ใต้รู้ตะวันออกรู้ตะวันตก เดินไปทิศไหนก็รู้สึกว่ามันเหมือนกันหมดมันมืดเหมือนกันหมดจึงไม่สามารถที่จะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไปได้ด้วยตนเองพวกเราทุกคนนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงสอนมาพาพวกเราไปพวกเราจะไม่มีโอกาสไม่มีวันที่จะไปถึง บ้านที่เราต้องการจะไปกันได้เลยจึงเป็นวาสนาเป็นโชคลาภอันประเสริฐที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งเพราะพระพุทธศาสนาคือการปรากฏของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้นานๆจะเกิดขึ้นได้สักครั้งหนึ่งไม่ใช่จะเกิดขึ้นทุกร้อยปีพันปีแต่เกิด ทุกเกิดหลายกลับด้วยกันคำว่ากับนี้ก็เป็นระยะเวลาอันยาวนานจนเราไม่สามารถเขียนได้ด้วยตัวเลขก็ขอให้รู้ว่ามันยาวมากก็แล้วกันคำนวณไม่ได้นับไม่ได้นานานถึงจะมีพระโพธิสัตว์อย่างเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาออกบวช มาบำเพ็ญ ร, รมจนได้ตัดสู้คือได้พบทางสู่พระนิพพานนั่นเองคำว่าตัดสู้ทางสู่พระนิพพานแล้วเมื่อทรงพบทางนั้นแล้วก็ทรงมีพระเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกออกมาเผยแผ่สั่งสอนทางที่จะพาสัตว์โลกให้ได้หลุดพ้นจาก การเกิดแก่เจ็บตายการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้พบกับบ้านที่ต้องการกันก็คือบ้านที่มีแต่ความสุขบ้านที่ไม่มีความทุกข์เลยไปตลอดอนันตการนิ บ, บานังปรมังสุ ข, ขังพระนิพานพานเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นบ้านที่มีความสุขอย่างยิ่ง เป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปเป็นบ้านที่ไม่มีความทุกข์ต่างกับบ้านที่พวกเราตอนนี้อาศัยกันอยู่ก็คือร่างกายของพวกเรามีความสุขแต่เป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็มีความทุกข์เข้ามาให้พวกเราต้องมาทุกข์กันอยู่เรื่อยๆทุกข์ไปจนลมหายใจสุดท้าย นี่คือบ้านที่พวกเราเข้าไปอาศัยอยู่กันอาศัยกันมาไม่รู้กี่บ้านแล้วไม่รู้กี่ร่างกายแล้วและจะต้องอาศัยบ้านแบบนี้ไปอีกไม่รู้อีกนานเท่าไหร่ถ้าไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าชาตินี้พวกเราโชคดี ได้มาพบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พบกับทางที่พาให้ไปสู่การดับทุกข์แล้วทีนี้ก็อยู่ที่เราอยู่ที่พวกเราแล้วว่าเราจะทําอย่างไรเราจะเดินไปตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เดินไปหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเราเดินเราก็จะได้ผล เราก็จะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางอันเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาลามตสาวกทั้งหลายได้ดำเนินไปถึงถ้าเราไม่ดำเนินเราไม่เดินไปเราก็จะไปไม่ถึงเหมือนกับการเดินทางมาสู่สถานที่นี้ถ้าญาติโยมรู้ทางแล้วออกเดินทางมาตามทางที่จะพามาถึง จุดหมายปลายทางนี้ถ้ามีการเดินทางอย่างหยุดไม่หยุดไม่หย่อนมาตามทางไม่ออกนอกทางไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมาถึงจุดหมายปลายทางนี้อย่างแน่นอนการจะมาถึงจุดหมายปลายทางนี้ก็อยู่ที่การเดินทางนี้เองการจะไปถึงพระนิพพานการไปสู่บ้านที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ ก็อยู่ที่การบำเพ็ญอยู่ที่การปฏิบัติของพวกเราแต่ละคนนี่เองไม่มีใครสามารถที่จะมาบำเพ็ญมาปฏิบัติแทนกันได้ทุกคนจะต้องปฏิบัติด้วยตนเองดังที่สงตัดสอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโธตนเป็นที่พึ่งของตนตนเป็นผู้ปฏิบัติ เป็นผู้สร้างที่พึ่งให้กับตนเองด้วยความศรัทธาความเชื่อของพระพุทธเจ้าด้วยวิริยะอุตสาหะพยายามที่จะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัตินี่คือหน้าที่ของพวกเราถ้าอยากจะถามว่าเกิดมาทำไมเราจะได้คำตอบในวันนี้ ว่าเราเกิดมาเพื่อทำหน้าที่ของเราหน้าที่ที่จะทำให้เราได้ไปสู่พระนิพพานได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายอยู่ที่การดำเนินไปสู่พระนิพพานนี่เองนี่แหละคือคำตอบถ้าเราไม่รู้ว่าเรามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำอะไร ก็ขอให้ทําความเข้าใจเสียแต่บัด น, นี้ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อบำเพ็ญปฏิบัติไปสู่พระนิพพานเพราะมีมนุษย์เท่านั้นที่จะมีความสามารถที่จะบำเพ็ญและปฏิบัติไปได้เพราะว่าผู้ที่สั่งสอนคือพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์นั่นเอง ถ้ามาเกิดเป็นเดรัจฉานเช่นมาเป็นสุนัขมาอาศัยอยู่วัดก็จะไม่สามารถที่จะบำเพ็ญที่จะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ต้องเป็นมนุษย์เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์และใช้ภาษามนุษย์ในการสั่งสอนมีลิงกับช้างที่ไปอุปถากพระพุทธเจ้า เขาก็ไม่สามารถที่จะรับประโยชน์จากการรับใช้พระพุทธเจ้าได้นอกจากได้บุญได้กุศลคือได้ทําบุญกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่บุญที่เขาทํากับพระพุทธเจ้านี้ไม่เพียงพอที่จะพาให้เขาไปสู่พระนิพพานได้ต้องบุญที่เกิดจากการชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์การละบาป การทำบุญนี้ยังไม่พอเพียงต่อการที่จะทำให้ใจนั้นบนรรลุถึงพระนิพพานได้การจะบรรลุถึงพระนิพพานได้นี้จำเป็นจะต้องชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์สิ่งที่ต้องชําระก็คือกิเลสตัณหาที่เป็นตัวคอยผลักดันให้ใจไปเกิดแก่เจ็บตายใน วัตสสงสารในตายพบนั้นเองต้องกำจัดกิเลสตัณหาถึงจะสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบได้ส่วนการละบาปและการทำบุญนี้เป็นการกระทำที่จะสนับสนุนให้สามารถเข้าไปสู่การบำเพ็ญคือการชำระ ใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผู้ที่จะชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้จําเป็นต้องมีการทําบุญและการละ บ, บาปเป็นเครื่องสนับสนุนในเบื้องต้นเราจึงต้องมาทําบุญกันทําบุญแล้วเราก็มาละ บ, บาปก็คือมารักษาศีลกันเมื่อเราทําบุญได้รักษาศีลได้ เราก็จะมีกําลังที่จะบําเพ็ญจิตตภาวนาได้เพราะว่าการบําเพ็ญจิตตภาวนานี้แหละคือเครื่องมือในการชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เป็นการตัดภพตัดชาติให้หมดไปจากใจการบําเพ็ญสมัจิตตะภาวนานี้ก็มีอยู่สองระดับด้วยกันระดับ แรกเรียกว่าสมถภาวนาคือการทำใจให้สงบระดับที่สองเรียกว่าวิปัสนาภาวนาคือการทำใจให้รู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมทั้งปวงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอนัตตา คือไม่สามารถที่ไปสั่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้นั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างเขามีเหตุมีปัจจัยทําให้เขาเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีใครที่จะสามารถที่จะไปยับยัง้งห้ามปรามไม่ให้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยต่างๆเหล่ า, า, านั้นได้ผู้บําเพ็ญจะต้องเข้าใจหลังนี้เพราะถ้าเข้าใจแล้วจะได้ หยุดการอยากเพราะเพราะปกติแล้วผู้ใจนี้จะอยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เช่นมีร่างกายก็อยากจะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ธรรมชาติของร่างกายนี้เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาถ้ามีความอยากก็จะทำให้ทุกใจไปเปล่า เพราะจะไม่ได้ดังใจอยากนั่นเองจะได้แต่ความทุกข์ถ้าไม่อยากจะได้ความทุกข์ก็ต้องใช้ปัญญาใช้วิปัสสนาภาวนาพิจารณาร่างกายจนเห็นชัดเจนว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราอยู่ในร่างกาย ไม่มีใครทั้งนั้นอยู่ในร่างกายร่างกายของแต่ละคนนั้นเป็นเพียงที่อยู่อาศัยไม่ใช่ตัวของผู้อยู่อาศัยเช่นเหมือนกับบ้านบ้านกับคนที่อยู่อาศัยนี้เป็นคนละส่วนกันคนที่อยู่อาศัยไม่ได้เป็นบ้านบ้านไม่ได้เป็นคนที่อยู่อาศัยฉยันใดร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นใจผู้อยู่อาศัย ใจก็ไม่ได้เป็นบ้านไม่ได้เป็นร่างกายใจเพียงแต่อาศัยร่างกายนี้อยู่ชั่วคราวแต่เนื่องจากความหลงมาหลอกใจให้คิดว่าใจนั้นเป็นร่างกายพอใ จ, จคิดว่าตนเองเป็นร่างกายก็เลยอยากให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอใจไม่อยากจะแก่ไม่ไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายนั่นเอง แต่ความจริงใจก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยู่แล้วแต่ไม่รู้เพราะความหลงไปคิดว่าตนเองเป็นร่างกายแล้วเห็นร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เลยเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะอยากจะเพราะคิดว่าตนเองจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปกับร่างกายนั้นเองแต่พอมาเจริญวิปัสสนาภาวนา มาพิจารณาร่างกายแยกแยะอาการต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายออกมาก็ไม่เห็นก็ค้นไม่เห็นก็ไม่พบว่ามีตัวตนอยู่ในร่างกายนี้ไม่ไม่พบใจอยู่ในร่างกายนี้ใจไม่ได้อยู่ในร่างกายถ้าลองผ่าร่างกายออกมาดูแล้วก็ชำแหละแยกชิ้นส่วนต่างๆของร่างกายออกมาที่มีอาการส2สองส่วนด้วยกันนี่ แยกออกมากองไว้เป็นกองกองหนึ่ันแยกผมกองไว้กองหนึ่งขนกองไว้กองหนึ่งเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแยกออกมาเป็นกองกองแล้วก็ลองเข้าไปดูซะว่าส่วนไหนบ้างที่มีใจอยู่ในนั้นไม่มีเลยสักส่วนเดียวผมก็มีแต่ผมขนก็มีแต่ขนเล็บก็มีแต่เล็บฟันก็มีแต่ฟันไม่มีตัวใจไม่มีตัว คิดว่าตัวตนอยู่ในในในอาการสามสิบสองนี้เลยนี่คือการเจริญวิปัสสนาต้องใช้การพิจารณาอย่างแยบคายต้องต้องทำอย่างละเอียดเหมือนกับเวลาที่เราคิดว่าเราลืมกุญแจไว้ในกระเป๋าเช่นกระเป๋าที่ ยาติโยมเหี่ยวกันนี่แล้วพอดีจะใช้กุญแจก็ลืมไม่รู้ว่าเอาไปไว้ที่ไหนก็ไปคิดว่าอยู่ในกระเป๋าถ้าอยากจะรู้ว่ า, ากุญแจอยู่ในกระเป๋าหรือไม่ก็ต้องเทของต่างๆที่มีอยู่ในกระเป๋านี้ออกมาเทออกมาให้หมดมีอะไรในกระเป๋านี้เทออกมาให้หมด จนกระเป๋านี้ไม่มีอะไรกระเป๋านี้ว่างๆแล้วก็ลองดูของที่เทออกมาว่ามีกุญแจที่เราคิดว่าเราลืมไว้ในกระเป๋าหรือเปล่าถ้ามันอยู่ในกระเป๋าเราก็จะเห็นมันถ้ามันไม่อยู่เราก็จะได้รู้ว่าเราไม่ได้เดบกุญแจไว้ในกระเป๋าเราก็จะได้ไปหากุญแจในที่อื่นต่อไป สันใดาการเจริญวิปัสนาภาวนาก็เช่นเดียวกันในการที่เราจะแก้ความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเราก็ต้องใช้วิธีนี้วิธีแยกแยะชิ้นส่วนต่างๆของร่างกายออกมาจนเห็นได้ชัดเจนว่ามีแต่อาการสามสิบสองเท่านั้นไม่มีตัวไม่มีตน ไม่มีตัวรู้อยู่ในร่างกายนี้ไม่มีตัวคิดอยู่ในร่างกายนี้ตัวรู้ตัวคิดคือใจตัวที่ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นใจนั่นเองพอใจได้แยกแยะออกมาอย่างนี้ก็จะได้หายหลงเราก็จะได้ไม่วิตกกับความเป็นความตายของร่างกายอีกต่อไปเพราะรู้ว่าเวลาร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บ เวลาร่างกายตายไปนั้นใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายนั้นเองใจก็จะละความทุกข์ละความอยากที่จะให้ร่างกายนั้นไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้นี่คือวิปัสสนาตัวอย่างของการําเพ็ญวิปัสสนาภาวนาเพื่อกําจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความหลง ที่ไปยึดไปถือสิ่งต่างๆว่าเป็นตัวเราของเราทุกวันนี้ที่พวกเราทุกกันก็ทุกเพราะความหลงนี่เองความหลงทำให้เราเกิดความอยากให้สิ่งที่เราหลงคิดว่าเป็นของเราเป็นตัวเรานั้นอยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันพัดพากจากเราไปแต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราได้มาจะไม่ไม่พัดพากจากเราไป ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องพัดภาคจากกันไปหมดร่างกายนี้เป็นอของชิ้นสุดท้ายที่เราจะต้องพัดภาคจากกันและเราก็เห็นจากตัวอย่างของร่างกายของผู้อื่นมาอย่างสม่ำเสมอแล้วว่าร่างกายของแต่ละคนนั้นในที่สุดก็ต้องหมดสภาพไปเวลาตายไปถ้าเอาไปชาปนกิจ ก็จะเหลือแต่ขี้เท่าเหลือแต่เศษกระดูกเท่านั้นนี่คืออนาคตของร่างกายของพวกเราทุกคนถ้าพวกเราหมั่นพิจารณาสอนใจเตือนใจไว้อย่างนี้อยู่เรื่อยๆใจก็จะละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายได้ทำลายความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราได้ละความอยากที่อยากจะให้ร่างกาย ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจากเราไปได้เมื่อละสิ่งเหล่านี้ได้ความทุกข์ต่างๆก็จะไม่มีปรากฏขึ้นมาภายในใจของพวกเราใจของพวกเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้นอกจากร่างกายนี้แล้วเรายังยึดติดกับสิ่งต่างๆอีกมากมายเราต้องพิ จ, จารณาผู้ปฏิบัติจะต้องพิจารณาว่า ยังยึดยังติดกับอะไรอยู่ถ้ายังยึดยังติดอยู่จะต้องมีความทุกข์แน่นอนเพราะสิ่งที่ยึดติดนี้ไม่ช้าก็เร็วจะต้องมีการเปลี่ยนไปมีการพัดพาคจากกันไปแล้วใจก็จะต้องทุกข์เพราะใจไม่อยากให้เปลี่ยนใจไม่อยากให้พัดพาคจากกันไปนั่นเองจึงต้องพิจารณาว่าของทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจมีครอบครองอยู่ในขณะนี้ จะต้องมีการพัดพากจากกันอย่างแน่นอนนับตั้งแต่ของภายนอกบุคคลภายนอกเช่นบิดามารดาปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายสามีภรรยาบุตรทดาลูกหลานอะไรต่างๆบุคคลต่างๆเหล่านี้ร้วนมีการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดสักวันหนึ่งก็จะต้องมีวันตายกันทุกคน มีแต่ว่าใครจะตายก่อนตายหลังเท่านั้นแล้วนอกจากวัตถุบุคคลแล้วก็ยังมีวัตถุข้าวของต่างๆเช่นลาบยศสรรเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสผดพภาที่พวกเรายึดติดเพราะว่าเราหลงคิดว่าเขาให้ความสุขกับเราเราเลยไปยึดติดกับเขาเพราะเราไม่มีความสุขในตัวของเราเอง เราก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าลาบยศสารเสริรูปเสียงกลิ่นรสผลทพานี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันไม่เที่ยงมีการเกิดมีการดับมีการเจริญมีการเสื่อมถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปยึดไปติดเพราะเราห้ามไม่ได้สั่งเขาไม่ได้สั่งไม่ให้เสื่อมไม่ได้สั่งให้เจริญเพียงอย่างเดียวไม่ได้ การที่เราจะปล่อยวางสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆได้นี้เราต้องมีความสุขภายในใจของเราก่อนนี่คือที่มาของการบำเมมะะพ็ญสมถภาวนาสร้างความสุขภายในใจให้เกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยออกไปพิจาราวิปัสสนาภาวนาเพื่อปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรายังไม่มีความสุขภายในใจของเรา เราจะไม่สามารถปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เราหลงยึดติดว่าเป็นความสุขและเป็นของเราได้ถึงแม้ว่าจะรู้ว่าเขาจะต้องจากเราไปก็ต้องขออยู่กันไปจนกว่าจะถึงวันจากกันแล้วค่อยไปทุกข์กันในวันข้างหน้าวันนี้ขอสุขกับเขาก่อนวันข้างหน้าเขาจะทุกข์เขาจะจากเราไปค่อยว่ากันอีกที เพราะว่าไม่มีกําลังที่จะปล่อยเขาได้เพราะไม่สามารถยืนหยัดด้วยลำแข้งลำขาอยู่ตามลำพังได้เพราะว่าไม่มีความสุขในตัวเองนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้บำเพ็ญสมถภ า, ภาวนาก่อนให้สร้างความสงบขึ้นมาภายในใจก่อนเพราะความความสงบภายในใจนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งนั่นเอง ถ้ามีความสงบแล้วจะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะจากบุคคลต่างๆพอมีความสุขและรู้ว่าไม่เดือดร้อนเวลาที่ต้องสูญเสียลาบยศสรรเสริญเสียรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะไปเสียบุคคลต่างๆไปก็ใจก็จะสามารถปล่อยได้ ไม่ยึดไม่ติดได้เพราะจะเห็นว่าถ้ายึดติดแล้วจะเกิดความอยากเมื่อเกิดความอยากแล้วก็จะเกิดความทุกข์ตามมานี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจต้องเข้าสู่ขั้นสมถะละวิปัสสนาภาวนาแต่ก่อนที่จะเข้าถึงขั้นนี้ได้ก็ต้องผ่านขั้น การทำบุญทำทานและการรักษาศีลให้ได้ก่อนถ้ายังทําบุญทำทานยังรักษาศีลไม่ได้การที่จะมาบําเพ็ญจิตตภาวนานี้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เหมือนกับการเรียนหนังสือการที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยได้ต้องผ่านชั้นมัธยมชั้นปถมก่อนเพอถ้ายังไม่ผ่านชั้นปถมมัธยมนี้ จะไม่สามารถสอบเอนชานเข้าสู่มหาวิทยาลัย ไ, ได้สอบกี่ครั้งก็จะสอบตกผู้ที่ยังทำทานไม่ได้ยังรักษาศีลไม่ได้จะมาภาวนานี้ภาวนาไปจนวันตายก็จะไม่ได้ผลอย่างญาติโยมที่มาฟังเทศน์ฟังธรรมมาศึกษาและพยายามมาบำเพ็ญจิตตภาวนากันนี้ได้ผลจากการบาเพ็ญกันมากน้อยเพียงไร ถ้ายังไม่ได้ผลนี่ก็ควรจะกลับไปทบทวนดู ว, ว่าศีลของตนบริสุทธิ์หรือไม่ทานก็คือการเสียสละการละการหาเงินหาทองการใช้เงินใช้ทองนี้ทำได้หรื อ, อยังผู้ที่จะมาบาเพ็ญสมถภาวนาหรือจิตตภาวนานี้จะต้องยุติเรื่องการหาเงินหาทอง เรื่องการใช้เงินใช้ทองเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะถ้ายัางต้องอาศัยการหาเงินหาทองการใช้เงินใช้ทองเพื่อหาความสุขแล้วก็จะไม่มีเวลาที่จะมารักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้จะไม่มีเวลาที่จะมาบำเพ็ญจิตตภาวนาได้นั่นเองจะทำได้ก็เป็นช่วงเล็กๆน้อยๆเช่นวันหยุดการทำงาน หรือเวลากลับบ้านจากที่ทํางานก่อนนอนก็อาจจะนั่งสมาธิได้บ้างตื่นเช้าก่อนจะออกไปทํางานก็นั่งสมาธิได้บ้างวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไปอยู่วัดไปภาวนาก็ทําได้เพียงเท่านี้ซึ่งยังไม่พอเพียงต่อการที่จะทําจิตให้รวมเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้ ผู้ที่จะเข้าสู่อปนาสมาธิได้นี้จะต้องบาเพ็ญอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับถึงจะมีโอกาสที่จะรวมจิตเข้าสู่อปนาสมาธิได้ขนาดหลวงตาสมัยที่ท่านบวชใหม่ๆช่วงที่ท่านยังไปศึกษาเล่าเรียนหนังสืออยู่ท่านบอกว่าจิตท่านเคยรวมได้เพียงสามครั้งเท่านั้นเองระยะเวลาหกปีด้วยกัน ท่านไม่ได้บำเพ็ญสติจเจริญสติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเพราะต้องออกไปเรียนหนังสือเวลาเรียนหนังสือก็ต้องใช้ความคิดปรุงแต่งใช้ความจําแทนที่จะมาจะเจริญพุทโธพุทโธก็ไม่สามารถที่จ ะ, จะเจริญได้อย่างต่อเนื่องเวลานั่งสมาธิจิตก็เลยไม่รวมนี่คือเรื่องของขั้นตอนของการปฏิบัติที่พวกเราไม่ควรจะข้ามขั้นกันไป หมือนกับอยากจะจบปริญญาตรีแต่ไม่อยากจะเรียนชั้นประถมชั้นมัธยมรอวันที่จะไปสอบเอ็นทรานสอบ ก, กันกี่ครั้งกี่ร้อยครั้งก็สอบไม่ติดเพราะว่าไม่มีพื้นฐานไม่มีความรู้ที่จะสนับสนุนให้สามารถสอบเอนทราน์เพื่อให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีได้นั่นเองแต่ถ้ากลับไปเรียนหนังสือชั้นประถมกลับไปเรียนหนังสือชั้นมัธยมตามําดับขึ้นมา พอจบมัธยม6กแล้วพอไปสมัครสอบเอ t r ท n านก็จะสอบได้ทันทีนี่ก็เช่นเดียวกันผู้ที่อยากจะบำเพ็ญจิตตะภาวนาเพื่อให้ได้มรรคได้ผลจริงๆนั้นจำเป็นที่จะต้องยุติการหาความสุขผ่านการใช้เงินใช้ทองจะต้องสละเงินทองไปให้หมดเลยไม่ใช้เงินใช้ทองแล้วก็รักษาศีลให้บรยสุด แล้วก็ไม่มีภารกิจการงานอะไรต่างๆนอกจากการบําเพ็ญจิตตภาวนาการเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนดับสลับกับการนั่งสมาธิจนจิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิหลังจากที่ได้อัปปนาสมาธิก็จะได้ความสุขที่จะสามารถทําให้ไม่ต้องอาศัยความสุขจากสิ่งต่างๆได้ไม่ต้องอาศัยความสุขทางร่างกายได้ ไม่ต้องอาศัยความสุขทางตาหูจมูกร่้นกายได้ก็จะสามารถพิจารณาเจริญวิปัสสนาภาวนาเพื่อปล่อยวางร่างกายได้ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมา้าเครื่องมือต่อไปไม่ต้องใช้ขันธ์ห้าเวทลูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแปลมาเป็นเครื่องมือให้ความสุขเพราะมีความสุขอยู่ในใจแล้วที่เกิดจาก สมถภาวนาก็จะสามารถปล่อยวางความอยากต่างๆในขันห้าได้ในจิตได้ในสิ่งต่างๆที่ยังยึดยังติดอยู่ได้ จ, จนสามารถปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเมื่อปล่อยวางได้แล้วก็จะไม่มีความทุกข์ปรากฏขึ้นมาอีกต่อไปนี่แหละคือการบําเพ็ญเพื่อให้เราได้ยุติการ เวียนว่าตายเกิดเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเพราะการเกิดการแกร่การเจ็บการตายนี้เป็นความทุกข์นั่นเองทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นนี่คือคำตัดของพระพุทธเจ้าถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องอยากกลับมาเกิดถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องไม่ก็ต้องตัดความอยากตัดความหลง ตัดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆให้หมดไปให้ได้การจะตัดได้ก็ต้องบาเพ็ญจิตตภาวนาการจะบาเพ็ญจิตตภาวนาได้ก็ต้องทาบุญละบาปให้ได้ก่อนนี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติที่พวกเราจะต้องน้อมนำเอาไปปฏิบัติกันถ้าเราปฏิบัติตามขั้นตอนได้รับรองได้ว่า เราก็จะเจริญก้าวหน้าไปตามขั้นตอนเหล่านั้นเหมือนกับการที่เราเข้าโรงเรียนเรียนหนังสือเราเข้าที่ชั้นประถมแล้วเราก็ก้าวขึ้นสู่ชั้นมัธยมอย่างมัธยมเราก็ก้าวขั้นสู่ขึ้นสู่ชั้นอุดมศึกษาเราก็สามารถเรียนจบปริญญาปีโทเอกได้ตามลำดับฉันใดการปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพพานก็จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนเหล่านี้เช่นเดียวกัน จึงขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพยมปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้ทรงสั่งสอนไว้รับรองได้ว่าจะได้ถึงมรรคผลนิพพานอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร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 จันโทปนาบรสุยถามณิโชติอรสุยถาสัพิติโยวิวาชจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิตสะนิจังุทธาปจายโน จตาโรโอธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลางังลำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอความกรุณาถามในช่วงนี้ให้ให้เรียบร้อยไปเลย เพราะถ้าหลังจากปิดไมค์แล้วก็จะไม่ตอบปัญหาที่ให้ถามผ่านทางไมโครโฟนเพื่อที่จะได้ยินทั้งคำถามและคำตอบจะได้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังการกรรมะการค่ะพระอาจารย์เวลาที่เรานั่งสมาธิสมมุติว่าจิตเนี่ยค่อนข้างที่จะสงบแล้วแล้วก็เป็นอุเบกขาเราจะมีวิธีทํายังไงให้ เดินอยู่ตรงนั้น น, น, นานๆนะคะก็ต้องเจริญสติรักษาสติคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าต้องใช้คำบริกรรมก็ใช้คำบริกรรมไปถ้าใช้ลมหายใจได้ก็ใช้ลมหายใจไปถ้ามันรวมจริงๆแล้วมันจะหยุดทุกอย่างมันจะหยุดที่มันจะอยู่ได้นานไม่ไดานนี้ก็ เป็นเรื่องของวิบากคือเรื่องของกําลังของสติที่เราได้เจริญมาก็ถ้ามันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นพอมันออกมาเราอยากจะให้มันสงบอีกเราก็ทําใหม่อีกครั้งหนึ่งทําบ่อยๆถ้านั่งแล้วเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินคลายความเมื่อยพอเดินก็ไม่ได้เดินแบบใจลอยนะเดินแบบมีสติพอเดินเมื่อยแล้วก็อยากจะนั่งก็มานั่งต่อ สลับทำกันไปอย่างนี้ในเบื้องต้นเอาสมาธิให้มันแน่นก่อนเพราะว่าถ้ายัางไม่แน่นนี้จะออกไปทางวิปัสสนามันจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ฉันพยายามเอาสมาธิเอาจิตให้นิ่งให้สงบได้นา น, านๆให้มีความสุขจากความสงบแล้วพอพิจารณาสิ่งที่เราจะต้องสูญเสียสิ่งที่เราจะต้องละนี้จะทำได้ง่ายเพราะเราจะไม่เดือดร้อน เพราะเรามีความสุขอยู่ในใจของเราถ้าเราไม่มีความสุขหมือมีน้อยพอออกจากสมาธิมาไม่นานเดี๋ยวความสุขที่ได้จากสมาธิมันก็จะจางหายไปแล้วพอเราพิจารณาเพื่อละเราก็จะไม่อยากจะพิจารณาการที่ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆบ่อยๆเพราะว่าใจเรามักจะลืมอพอเราไม่พิจารณาแล้ว เ, เดี๋ยวเราก็จะเผลอกลับไปยึดไปติด ไปรักไปห่วงสิ่งต่างๆที่เราเคยรักเคยห่วงอยู่ฉะนั้นต้องพยายามทำสมาธิให้มีกำลังมากๆเพื่อที่เราจะได้ใช้กำลังของสมาธินี้มาสนับสนุนในการพิจารณาทางวิปัสสนาเพื่อปล่อยวางข้าจขอขอบคุณค่ะก็คือ อาจารย์เทศสอนว่าถ้าเราอยากได้สมาธิเราก็ต้องออกจากงานมาค่ะเพื่อแบบจะได้มีเวลาแต่ทีนี้ในกรณีที่เราเป็นทำงานประจําอยู่เนี้ยค่ะก็คือห้าวันแต่เราก็คือถามว่าพร้อมที่จะออกมาเลยไหมก็คือยังไม่พร้อมแต่เราก็ต้องการที่จะมีเวลามากกว่าสองวันก็คือมากกว่าเสารอาทิตย์อะคะ่ะอืมเราควรจะทำยังไงดีคะะอาจารย์ก็การที่เราทํางานเพราะว่าเรา ต้องการเงินทองมาเพื่อใช้จ่ายซื้อข้าของต่างๆเราก็ต้องลดการใช้จ่ายลงให้น้อยลงเพื่อเราจะได้ไม่ต้องทำงานมากคือเราอาจจะเปลี่ยนงานแล้วมาทำงานแบบอิสระขายตรงก็ได้ขายประกันขายยาสีฟันแปรงสีฟันอะไรไปวันไหนอยากอยากจะขายเมื่อไหร่เงินไม่พอใช้ก็ออกไปขาย อันไหนเงินพอใช้ก็ไปภาวนาต้องเปลี่ยนอาชีพถ้าทำงานอาชีพที่มันต้องทำเต็มที่ห้าวันต่ออาทิตย์มันก็จะปรับตัวไม่ได้เราต้องลดค่าใช้จ่ายลงของฟุ่มเฟือยต่างๆความสุขทางตาหูจมูกรินกายต่างๆนี้ต้องอตัดมันไปแล้วรายจ่ายจะน้อย เมื่อรายจ่ายน้อยรายได้ก็ไม่ต้องมีมากก็ะจะสามารถที่จะทำงานแบบอิสระได้ขายประกันขายอะไรไปเป็นในหน้าอะไรต่างๆไปขายตามเวลาของเราแล้วก็เราก็จะได้มีเวลาภาวนามากขึ้นสมัยนี้ขายของผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็มีกันเยอะ ไม่ต้องออกนอกบ้านจะขายเวลาไหนก็ได้บางทีขายตอนกลางคืนก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นเวลาสากลนใช่ไหคนซื้ออาจจะเป็นสว่างเรากับมืดนี้บางทีต้องขายตอนมืดเพราะคนซื้อก็เข้ามาดูของในเวลาของเขาที่เขาสะดวกยั้นต้องรู้จักแบบแบบวิธีการทำรมาหากินถ้าเรายัางต้องอาศัยการทำมาหากินเลี้ยงชีพยอยู่ ถ้าเราไปอยู่วัดได้อยู่วัดที่มีการสนับสนุนคือไม่ต้องทำงานทำการอาศัยทางวัดอย่าไปคิดว่าไปอาศัยวัดกินนะอันนี้จริงอยู่จะเรียกว่าอาศัยวัดกินก็ได้แต่กินเพื่อปฏิบัติธรรมนี้ถือว่าเป็นความถูกต้องเป็นสิ่งที่พระก็ยินดีพระพุทธเจ้าก็ยินดีให้กระทำแต่ถ้าไปอาศัยวัด กินอยู่แต่ไม่ปฏิบัตินั่นแหละถึงจะเรียกว่าไปอาศัยวัดอยู่กินจริงๆถ้าไปแบบนั้นก็ไม่ควรไปควรจะไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอย่าไปาไปสร้างภาระให้กับทางวัดเขาแต่ถ้าเราไปอาศัยวัดอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมนี้เราไม่ได้สร้างภาระเรามาสืบทอดพระพุทธศาสนาพราะพุทธศาสนานี้จ ะ, จะเจริญ ง, งอก ง, งามได้ก็ต้องมีผู้ศึกษามีผู้ปฏิบัติ และผู้มีมีผู้บรรลุธรรมเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องแม่นยมและมีประสิทธิภาพถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้บรรลุนี้ไม่สั่งสอนก็จะเป็นการสอนแบบผิดผิ ด, ผดถูกๆูผู้ฟังก็จะสับสนไม่เกิดศรัทธาปฏิบัติก็จะไม่ได้ผลเข้าใจไหม แล้วก็เมื่วยอกล้ที่พระอาจารย์เทศว่าก็คือถ้าอยากได้อัปปนาต้องลาออกอะค่ะแล้วกรณีก็คือเหมือนต้องได้คณิกะก่อนแล้วหรือเปล่าคะมันเหมือนกันอะคณิกะกับอัปปนารวมเหมือนกันเพียงแต่ว่ารวมนานหรือรวมไม่นานรวมไม่นานก็เรียกว่าคณิกะรวมนานก็เรียกว่าอัปปนาใหม่ๆก็ต้องคณิกะก่อนรวมปับตื่นเต้นตกใจถอนออกมาทันที แล้วครั้งต่อไปก็รู้ว่าออถ้าจะไม่ถอนนี่ต้องประครับประคองสติไว้ไม่ให้ตื่นเต้นตกใจให้สักแต่ว่ารู้ต่อไปมันก็จะอยู่นานเองเออแล้วพอดีขอยย้อมเทาาค่ะเปิดอ่านหนังสือเจอค่ะก็คือพระอาจารย์เทศเลยว่าคือคนที่บวชได้ก็คือคนที่หยุดความอยากได้อย่างนี้ถ้าหยุดความอยากไม่ได้ก็คือบวชไม่ได้ใช่ไหมคะ่ะ เราไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นคือคนที่บวชได้นี้มีความอยากก็มีเยอะแยะไปบวชแล้วก็มานอนหลับกับสีกางก็มีไม่ได้หมายความว่า อ, อมันหมายความว่าคนที่มีสติที่สามารถที่จะควบคุมความอยากให้อยู่ในกรอบไม่มาสร้างความวุ่นวายใจไม่มาสร้างนิวรณ์ได้ถึงจะบวชได้เ อ, อ ถ้ายังควบคุมใจไม่ได้ยังอยากดูอยากฟังยังอยากเที่ยวยังอยากไปนู่นมานี่อยู่ก็จะไม่สามารถที่จะนั่งภาวนาได้บวชไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทำซักคำถางเอาเลยเมื่อก่อนหนูฟังธรรมจากพระรูปหนึ่งมีคนถามว่านั่งแล้วจิตไม่สงบเลยท่านก็เลยตอบว่าแสดงว่าจิตมีส่วนเลวมาก กว่าส่วนดีทีนี้ก็มาคิดถึงตัวเองว่าือสะดุ้งเหมือนกันเพราะตัวเองก็ไม่ค่อยสงบไม่จําเป็นหรอกเพราะว่าส่วนดีก็ทําให้ใจไม่สงบได้ใจคิดอยากจะไปทําบุญไปทอดผ้าป่าทอดกระถิ่นที่นั่นสร้างโบสถ์สร้างเจดียด์ก็ทําให้จิตไม่สงบได้เพราะมันเป็นความคิดปรุงแต่งถ้ามีความคิดปรุงแต่งแล้วนั่งไปจนวันตายก็จะไม่สงบเราจึงต้องมีสติ เพราะตัวสตินี้จะเป็นผู้ที่จะมาหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆได้ถ้าถ้าคิดว่ามีความชั่วมากทำใจให้สงบไม่ได้งั้นองคุลิมานก็ทำใจให้สงบไม่ได้ใครจะมีความชั่วมากเท่ากับองคุลิมาน9คนมาแล้วเก้า้อย้าสบคนก็ยังสามารถที่จะปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบและบรรลุธรรมได้งั้นมันไม่ได้อยู่ที่ความดีความชั่วที่เราทามาในอดีต อยู่ที่การมีสติหรือไม่มีสติที่จะยับยั้งความคิดต่างๆนี่เท่านั้นเองดันไม่ต้องกังวลถ้ไม่สงบก็ชี้ไปเลยพันธงไปเลยว่าไม่มีสติไม่มีพุโทโธใจลอยไปลอยมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆลองให้มันมีพุโทโธอยู่ทั้งวันโดยแต่นั่งเวลาไหนมันก็จะสงบเวลานั้น ห, หนูก็พยายามท่องพุโทโธนะคะแต่ว่ามันก็จะหลุด ไหวแล้วก็ต้องดึงเข้ามาอยู่ตลอดใหม่ๆก็อย่างนี้มันเหมือนชักกระเยอะกันเนี่ยฝ่ายที่จะดึงไปคิดนี่มันมีกําลังมากกว่าเราเพราะมีสิบคนเราคนเดียวนี่เราจะไปดึงซื้อเขาได้ยังไงแต่ถ้าเราพยายามดึงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะมีคนเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆกําลังของสติก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมีกําลังมากกว่าเขามากกว่ากิเลสตัณหาที่จะดึงเราไปคิดเรื่องราวต่างๆ แล้วเราก็จะสามารถดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้ต้องพยายามหมั่นสร้างสติขึ้นอยู่เรื่อยๆแล้วสติจะมีกําลังเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเราสังเกตดูว่าวันนี้เราได้พุโทโธสักกี่นาทีรวมกันแล้วตั้งแต่เช้าจนถึงหลับเนี่ยมาบวกลบคุณหาแล้วได้สักกี่นาทีกันถ้าได้อยู่คนเดียวนานๆก็ได้พอสมควรแต่ถ้ามีการพูดคุยก็จบแ <laughs> นั่นแหละก็ถึงว่าต้องปีกวิเวกันไงถึง ต้องไปอยู่คนเดียวถึงจะดีจะได้ไม่มีใครมาชวนคุยขาดอยู่คนเดียวใจยังโจนชวนตัวเองคุยเลยต้องพยายามนะมันไม่ใช่เป็นของที่ทำไม่ได้เพียงแต่ว่ามันยากเพราะเราไม่เคยชินเท่านั้นเองเหมือนกับเราไม่เคยใช้มือซ้ายหรือมือขวาพอเราต้องมาใช้มือที่เราไม่ถนัดนี่มันก็จะยาก แต่ถ้าลองหัดใช้ไปเรื่อยๆต่อไปไม่นานมันก็จะชินมันจะชํานาญมันก็จะใช้ได้กล่าวหลวงพ่อครับเจเริญสติด้วยวิธีที่ใช้มรนานุสติสลับกับประสุภาษนะครับพ่อแล้วพอมานั่งสมาธิก็ใช้วิธีเดียวกัน ก, ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพิจาณาสุภาทีนี้มันก็เปลี่ยนเกียร์ลงไปได้หลายเกียร์อย่างที่หลวงพ่ อ, อบอกครับ ทีนี้เอมันก็มันก็เปลี่ยนเกียร์ลงไปที่รวมอยู่ที่ระดับหนึ่งแต่ว่าก็จิตก็ยังมีก็ยังเดินการพิจารณาอยู่เหมือนกับเบาๆมันเดินเครื่องเบาๆจะถามหลวงพ่อว่าไอตัวไอตัวปัญญาอบรมสมาธิเนี่ยคือมันสามารถพา <c oughs> ลงไปได้จนถึงก่อนถึงอัปนาเลยไหมครับพระองคบางทีมันก็ได้บางทีก็ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับอ ปัจจยหลายส่วนด้วยกันคือส่วนหนึ่งก็คือมันมันอยู่ที่ภาวะของใจด้วยถ้าใจมีความเครียดมีความวุ่นวายกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเราสามารถใช้ปัญญาพิจารณาระดับมันความเครียดนี้ได้มันก็อาจจะรวมได้แต่มันต้องเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงเช่นเราไปเจอกับ เหตุการณ์ที่ท้าทายต่อความเป็นความตายอย่างนี้แล้วเราพิจารณาร่างกายว่ามันไม่เที่ยงมันต้องตายแล้วเราเห็นว่าถ้าเราไม่อยากจะทุกขกับร่างกายเราก็ต้องปล่อยเพราะยังไงก็ต้องปล่อยเพราะว่ามันยังไงมันก็ต้องตายถ้ายอมตายในขณะที่เผชิญกับภาวะที่จะต้องตายเนี่ยใจมันปล่อยแล้วมันก็จะปล่อยอย่างเต็มที่เลย มันจะเข้าสู่อัปปนาได้แบบนั้นแต่ถ้ามันอยู่ในภาวะที่ยังไม่ต้องปล่อยอย่างเต็มที่มันก็จะไม่เข้าไปสู่ภาวะนั้นแต่วถ้าเราใช้ปัญญาแล้วมันไม่เข้าสู่อัปปนาพ อ, พอมันอยู่ในขั้นที่เราสามารถใช้ดูลมหายใจได้เราก็ต้องใช้การเพ่งแทนเ พ, เ, พเพราะการเพ่งนี้จะช่วยทำให้เข้าได้เพ่งลมเพ่งลมเพ่งลม เพงลงลมหมือพุโทโธก็ได้สําหรับบางท่านใช้พุโทโธแล้วจิตก็วูบลงไปเหมือนตกหลุมตกบ่อใจต้องอยู่กับเรื่องเดียวถ้าคิดพิจารณามันก็ทํางานมันก็จะยากสู่การลงนอกจากมันอยู่ในภาวะที่ขับขันอยู่ที่ในภาวะที่จํายอมต้องปล่อยทุกอย่างปล่อยอย่างเต็มที่ถ้ามันปล่อยอย่างเต็มที่อย่างนั้นมันก็ลงได้เช่นไปเจอความตายเนี่ยแล้วยอมตายขึ้นมา พอปล่อยปั๊บเนี่ยใจมันจะลงไปสู่ฐานเลยมันปล่อยอย่างสุดๆเลยอ๋อปู่ชอบเจีเสือใช่ไหมหลวงพออ่ออย่างนั้นนะอันนี้ก็แสดงว่าถ้าเกิดลงไปลึกพอสมควรแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยแล้วก็มาเพ่งดูลมดูลมต่อถ้ามันไม่รวมก็ดูลมเลิบเบืมองล่างพุทธโธไปอย่างไดอย่างนี้ครับครับคำถามที่สองคหลวงพ่อก็คือว่าการปล่อยความยึดมั่นถือมั่นในในขันห้าเนี่ยจะต้องปล่อยตามลําดับโดยปล่อยที่รูปก่อนใช่ไหมครับ ก็ปล่อยที่ร่างกายเพราะเราเห็นชัดว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ปล่อยที่เวทนาก็คือความเจ็บนี่ความเจ็บของร่างกายมันก็จะว่าอันไหนก่อนในหลังนี้ก็การปฏิบัติบางทีมันจัดลำดับไม่ถูกเป็นกันมันอยู่ที่ข้อสอบมันอันไหนมาก่อนมาหลังถ้าทุกเวทนามาก่อนก็เอาเวทนากรถ้าความตายมาก่อนก็เอาความตายก่อน สุดแท้แต่แต่ในที่สุดก็ต้องพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์มันเป็นอนัตตามันไม่มีตัวเราอยู่ในขันห้านี้เวทนาในขันหานี้คือเป็นทุกขเวทนาใช่ไหมครับหลวงพ่อทุกที่เกิดจากทางร่างกายทุกที่เกิดจากทางร่างกายเช่นเวลานั่งแล้วเจ็บแล้วปวดอย่างนี้เราก็ต้องพิจารณาปล่อยวางมันอยู่กับมันให้ได้อย่าไปอยากให้มันหายเพราะความอยากให้เป็นตัวสร้างทุกขในอริยสัจ ทุกในใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งทุกที่เราต้องการจะดับก็คือทุกในอริยสัจแต่พอเวลาเกิดทุกขเวทนาทางร่างกายขึ้นมาทุกในอริยสัจมันจะเกิดขึ้นทันทีเพราะมันเป็นสัญชาตญาณของกิเลสที่มันต้องการจะ อ, อยากให้ทุกขเวทนาหายไปเราต้องมาแก้ตัวนี้ตัวสัญชาตญาณของกิเลสที่อยากจะให้ความเจ็บหายไป ดยการใช้สติประครับประครองมันไปก่อนก็ได้เวลาเจ็บแล้วก็พุทโธพุทโธไปบริกรรมไปอย่าไปสนใจกับเรื่องของความเจ็บมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปแต่อย่าไปให้มันเกิดความอยากให้ความเจ็บนั้นหายไปถ้าเราบริกรรมพุทโธอย่างถี่ยิบนี่จิตก็ปล่อยได้เข้าสู่ความสงบได้แต่เท่าที่เราสังเกตมันก็เข้าสู่อคณิกะก็ได้เข้าปั๊บแล้วก็ถอนออกมา พอมันนั่งเจ็บแพอมันปวดแล้วเราก็บรกิการพุโทโธพุโทโธหรืออนิจจังอนิจจังไปแล้วแต่จะใช้คํำบริการมันมไหนก็ได้ถ้าใจเกาะติดอยู่กับคํำบริกรรไม่ไปคิดถึงเรื่องความเจ็บไม่นานมันความเจ็บที่มันหาให้ไปความทุกข์ความอยากที่อยากจะให้ความเจ็บก็หายไปพอความอยากหาไปความสงบก็เข้ามาแทนที่ทันทีนันการปฏิบัติต้งทีมันเรียงลําดับไม่ได้มันแล้วแต่ว่าเราจะ จะเอาเจะเจอข้อสอบตัวไหนก่อนแสดงว่าถ้าเกิดเราเจอทุกขเวทนาเรื่องเจ็บนั่นก็คือว่าถือเป็นข้อสอบจริงในแต่ละครั้งที่เราที่เราก็พยายามที่จะที่จะทําได้นะแล้วทำความจริงข้อสอบเวทนานี้เราสร้างขึ้นมาได้ข้อสอบความตายก็ได้ไปหาที่น่ากลัวเป็นไปนั่งภาวนาคนเดียวอยู่ในป่าช้าที่ไหนที่มันน่ากลัวก็ไปที่ตรงนั้นแล้วเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาก็ใช้ ใช้การภาวนากําจัดมันถ้าใช้สติก็จะได้สมาธิถ้าใช้ปัญญาก็จะได้ปล่อยวางอย่า ง, างแท้จริงครับคาถาสุดท้ายกอบหลวงพ่อครับ เ, เวลาเวลาที่เราเความความกลัวตายเนี่ยคือสมมุติเราบอกว่าร่างกายต้องตายเนี่ยเราก็ไม่กลัวตายแต่ว่ามันก็ยังมีความมีส ม, มุทัยอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมครับพ่อที่เป็นบอกว่าไม่อยากตายเนี่ย ที่มันอยู่เหนือเหนือต่อความกลัวตายก็ตัวเดียวกันเนี่ยความความไม่อยากตายก็เลยทําให้กลัวตายถ้าถ้าไม่อยากถ้าไม่มีความไม่อยากตายแล้วความกลัวตายก็จะไม่มีดงนั้นการที่จะรีดของตัวนี้ได้ก็ต้องไปหาความตายไปเจอความสิ่งที่มันทําให้เราต้องแลกระหว่างอความความปล่อยวางกับความยึดติดเอ เป็นไปอยู่ที่เราคิดว่ามีภัยแต่ความจริงมันอาจจะไม่มีก็ได้แต่ในใจเราคิดว่ามีแล้วเรากลัวสุดขีดอย่างเงี้ยถ้าเราอยากจะทําลายเรื่องหยุดความกลัวนะั้นเราก็ต้องพิจารณาร่างกายแล้วก็ปล่อยมันให้ได้พิจารณาว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงเหมือนต้องตายถ้าตอนนี้เป็นเวลาที่จะต้องปล่อยที่จะต้องตายก็ยอมพอยอมมันก็จะละอุปทานละตันหาความอยากได้ จิตก็จะสงบแล้วก็จะไม่วุ่นวายไม่กลัวความตายต่อไปขอบคุณค่ต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากคุณขวัญในขณะที่นั่งสมาธิพิจารณาลมหายใจเพื่อรวมสติให้นิ่งเกิดเวทนาขันขึ้นมากจนทนแทบไม่ไหว แต่ได้พยายามฝืนใจนั่งพิจารณาลมหายใจเพียงอย่างเดียวไม่สนใจความเจ็บปวดจนความเจ็บปวดค่อยๆผ่อนคลายไปได้แต่การพิจารณาลมหายใจของดิฉันไม่เป็นปกติคือในขณะเจ็บปวดเกิดขึ้นดิฉันจะหายใจเร็วขึ้นและแรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงแรงมากเพื่อข่มให้ความเจ็บปวดหายไปซึ่งมันก็ได้ผลค่ะ เมื่อคลายความเจ็บปวดจิตนิ่งแล้วดิฉันจึงหัดพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อไปดิฉันไม่แน่ใจว่าการหายใจเข้าออกเร็วและแรงๆทีๆเพื่อข่มความเจ็บปวดนั้นจะผิดหรือถูกประการใดหากดิฉันปฏิบัติไม่ถูกต้องควรทาเช่นไรดีคะคือการปฏิบัติในบางทีแต่ละคนมันก็มีอุบายไม่เหมือนกัน จะไปเอาตำลามากางเพียงอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกเังนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องยึดผลเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นตัววัดก็แล้วกันถ้าทำแบบนี้แล้วทาให้จิตสงบได้ฆ่ากิเลสได้ก็ไม่มีอยู่ในตาลาก็ไม่เป็นปัญหาอะไรดังนั้นก็ไม่กล้ามามาปฏิเสธถ้าผลมันเป็นผลที่ดีผลมันสงบแต่ถ้าจะให้พูดตามกลางตามตาราในตารา ของการปฏิบัติอาณาปณะสตินี้ท่านไม่ให้บังคับลมท่านให้ใช้ลมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเท่านั้นเองคือลมจะหายใจสัน้นหายใจยาวก็ให้รู้ตามความเป็นจริงไม่ให้ไปควบคุมบังคับให้ลมหายใจสัน้นหรือหายใจเร็วหายใจช้าแต่ให้ให้ลมเป็นไปตามเรื่องของเขาแล้ว ใจไม่ไปคิดปรุงแต่งก็พอไม่คิดปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้รู้อยู่ตามความจริงของลมแล้วการจดจ่อดูลมนี้จะทำให้ใจรวมเข้าสู่สมาธิได้แต่ในกรณีที่มีความเจ็บปวดขึ้นมานี่นเป็นปกรณีที่ยกเว้นคยอกรณีพิเศษเก็อาจจะต้องใช้อุบายอย่างที่ใช้นี้ก็ได้ถ้าใช้แล้วมันทำให้จิตรวมเข้าไปได้ก็ ก็ไม่ถือว่าผิดแต่อย่างใดเพราะผลมันถูกแต่มันอาจจะไม่ถูกกับตังตําลาก็ได้เท่านั้นเองในบางครั้งอย่างอย่างต้เราตัวอย่างต้นต้นเรานั่งสมาธิก็ใช้ลมหายใจนี้เหมือนกันแต่พอเกิดเวทนาขึ้นมาใจมันก็เปลี่ยนไปเป็นการบริกรรมแทนบริกรรมอย่างที่ไม่ทีแบบไม่จะขาดใจตา ย, ยานะไม่ปล่อยให้ใจมีโอกาสไป คิดถึงความเจ็บปวดเลยไม่ปล่อยให้มันไปอยากให้ความเจ็บปวดหายไปมันก็รวมได้มันก็สงบได้ทุกเวทนาก็หายไปเหมือนกับเหมือนกับเหมือนเชือกที่มันตึงแล้วมันขาดอย่างนั้นใจเวลามันเวลามันทุกเวทนาเหมือนมันตึงเหมือนเชือกตึงๆแล้วพอเราใช้การบริกรรมนี้เหมือนไปตัดเชือกนั่นพอตัดปุ๊บในจิตรวมเข้าสู่ความสงบ แต่ร่างกายไม่หายไปนะแต่จิตสงบจิตไม่เครียดไม่ทุกข์ไม่ตึงเครียดกับความเจ็บของร่างกายแล้วความเจ็บของร่างกายก็หายไปด้วยแบบแสดงว่าบางทีความเจ็บของร่างกายนี้ใจมันเป็นตัวขยายขึ้นมาเองเป็นตัวสร้างหลอกใจเองซึ่งอันนี้ก็ต้องอยู่ที่การปฏิบัติของแต่ละท่านนะที่จะต้องหาอุบายของแต่ละคน เป้าหมายก็คือขอให้ใจมันสงบก็ถือว่าใช้ได้คะคำถามต่อไปจากคุณปุ้ยพี่สาวชอบทะเลาะ ก, กับแม่เราเห็นก็จะห้ามทุกครั้งพอเอาชนะแม่ไม่ได้ก็จะพานมาถึงเราบอกว่าด่าว่าให้แม่มันบาปก็หาว่าเราสอนต้องเกี่ยวข้องกับพี่สาวอยู่จะทำอย่างไรดีคะก็อย่าไปเสือกเรื่องของเขา เขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาว่าเราไปเสื็จเราถึงต้องมารับเค้าเคำถามต่อไปจากคุณชัยพฤกษ์การปลูกใจให้เกิดมีศรัทธาอีกครั้งควรเริ่มปฏิบัติอีกครั้งอย่างไรดีครับก็ศรัทธามันเกิดขึ้นได้หลายทางด้วยกันจากการได้ยินได้ฟังธรรมจากผู้รู้จริงเห็นจริง หรือจากการได้ภาวนาจดเกิดผลขึ้นม า, างั้นก็ต้องต้องเลือกเอาว่าเราจะปลุกศรัทธาขึ้นมาได้อย่างไรก็เลือกทางนั้นไปก็แล้วกันคำถามต่อไปจากคุณหลิงการพิจารณาอาสุพะให้เห็นจะต้องใช้สมาธิสติหนุนอย่างคนเขา่าอย่างคนเผาศพและหมอที่อยู่กับศพ ทำไมจึงมีการมาราค้าอยู่ครับเพราะเขาไม่พิจารณาเวลาเข้าทำเขาถือว่าเขาเหมือนก็าทำงานไปเท่านั้นเองเขาไม่ได้คิดว่ามันมันมันเป็นยาที่จะมาแก้ตัญหาของเขาเขาไม่มีความปรารถนาที่จ ะ, ะทำลายตัญหาของเขาเขาทำงานนี้เพื่อที่จะได้เอาเงินไปตอบสนองตัญหาของเขา เขาจึงไม่สนใจที่จะพิจารณาเพื่อเอามาใช้เป็นเครื่องมือแก้ตันหาของเขาเวลาเขาเกิดตันหาเขาก็ไม่นึกถึงอสุภะมันก็ไม่มันก็ไม่เป็นผลเหมือนกับหมอเนะี่ยหมอก็ผ่าตัดคนใกล้แหวะ อ, อกออ ก, ออกมาเห็นตับเห็นพุงเห็นไส้เห็นหัวใจเห็นอะไรต่างๆในร่างกายแต่พอกลับบ้านไปเจอภรรยาก็มองไม่เห็นหรือไปเจอสามีก็มองไม่เห็นใน ก็เพราะว่าเขาไม่ได้เอาอสุภะมาใช้เพื่อตัดตันหาก็เอาอสุภะมาเป็นเครื่องมือหากินเพื่อจะได้เงินทองมาซื้อตันหาความอยากมีใครอยากจะถามเพิ่มเติมไหมอ่ามาเจอพระเจ้าครับคือที่สงสัยตอนปฏิบัติคือให้ ให้เขาถึงอปปนาแล้วค่อยเจริญปัญญาก่อนใช่ไหมครับเพื่อมันต้องแยกว่าสมาธิกับปัญญานี้เป็นการปฏิบัติสองขั้นคือสองเวลาไม่ทำรวมกันการนั่งสมาธิเพื่อให้จิตรวมเป็นอปปนานี้พอจิตรวมเป็นอัปปนาแล้วก็ปล่อยให้มันอยู่ในอปปนานั้นจนกว่ามันจะถอนออกมาจึงถือว่าการนั่งสมาธินี้หมดหมด หมดเวลาของเขาแล้วทีนี้ถ้าอยากจะเจริญปัญญาก็เจริญได้หลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วแต่ในขณะที่อยู่ในสมาธินี้ไม่ให้เจริญปัญญาก็ยังไม่ใช่เวลาลที่อาจารย์เมืกี้คือคือต้องให้ถึงอัปปนาให้กายหายหรือว่าแค่เหมือนตกหลุมอากาศก็พิจนารณาปัญญาต่อได้ครับ คือไม่พิจารณาตอนที่ตกลงมากาศตอนที่มันรวมมันนิ่งป่อยมันนิ่งไปจนกว่ามันจะถอนออกมามาคิดปรุงแต่งเหมือนตอนนี้ยตอนที่คุณกําลังนั่งคุยกับเราตอนเนี้ยตอนนี้คุณพิจารณาได้ตลอดเวลาเลยแต่เวลามันนิ่งอย่าไปพิจารณาเหมือนคนเวลานอนหลับจะไปปลุกขึ้นมาทํางานปล่อยให้เขานอนหลับให้พอแล้วพอก็ตื่นขึ้นมาแล้วค่อยสั่งให้เขาไปทํางานมิแล้วที่อาจารย์เทศว่าให้ พิจรารณากายเพื่ออปัปนาอันนี้ อ, นอันใช้ปัญญาอบรมสมาธิใช้ปัญญาเป็นเป็นตัวนําใจให้เข้าสู่สู่สมาธิก็ได้ก็เลยเลยสงสัยว่าใช้ใช้วิธีไหนครับอา่าก็แล้วแต่เราไงก็มีสองวิธีคุณจะใช้อชอบวิธีไหนก็ใช้วิธีนั้นไปวิธีไหนที่ทําให้คุณได้ผลก็เอา ว, วิธีนั้นก็แล้วกันเราอยังจเจริญอสุภพานี้ต้องให้ถึง สมาธิก่อนเราค่อยเจริญ อ, อัตุภะดีกว่าครับคือปัญญาทุกขั้นทุกตอนเนี้ยต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนถ้าไม่มีสมาธิแล้วมันจะไม่มีกําลังที่จะไปตัดตัณหากิเลสได้ครับนมสการเจ้าค่ะโยมเพิ่งหัดภาวนาพุทโธและโยมเผ อ, อยุอยู่บ่อยๆโ ย, ยมอยากถามว่าถ้าโยมใช้ลูกปกรรมช่วยด้วยได้ใช่ไหมคะ อัไหนก็ได้ที่จะทําให้มีสติขึ้นมาแต่ในที่สุดนี่นก็ไม่ควรที่จะใช้ลูกประคำควรจะใช้แต่ใจอย่างเดียวจะดีกว่าเพราะเดี๋ยวเกิดลูกประคำหายไปแล้วก็สติก็หายไปกับลูกประคำธรรมสการ์ค่ะเออคือหนูยังไม่มีโอกาสที่จะได้เข้ามานั่งมิปัสนาแล้วเราควรจะกลับไปปฏิบัติตนยังไงคะ ก็ทําที่บ้านก่อนก็ได้หาช่วงเวลาที่เราว่างอยู่ในห้องคนเดียวแล้วก็ลองนั่งสมาธิดูพุโทโธพุโทโธไปหรือนั่งดูลมหายใจไปแต่ก่อนที่จะมานั่งในกิจวัตรประจําวันก็ควรจะหัดเจริญสติควบคู่ไปด้วยคือทําอะไรก็ให้มีใจจดจ่อยอยู่กับงานที่เรากำลังทําอยู่เพียงอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่งานกับงานที่เราทําอยู่ หรือถ้ามีกําลังก็จะใช้พุโทโธช่วยก็ได้ท่องพุโทโธไปในขณะที่เราทํางานถ้าเราไม่ต้องใช้ความคิดกับการงานก็พุโทโธไปเช่นเวลาเราทํากับข้าวหรือทําอะไรอย่างนี้เราก็พุโทโธพุธโทโธไปหรือไม่ฉะนั้นก็ให้ใจจดจ่ออยู่กับการทํากับข้าวเพียงอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วพอเรามีเวลาว่างเราก็เข้าไปที่ห้องของเราแล้วก็นั่ง จะใช้คำบริการพุโทโธก็ได้จันดูลมหายใจเข้าออกก็ได้แล้วก็ทำไปบ่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดความเข้าใจเกิดความชำนาญเองครั้งแรกๆก็อย่าไปหวังอะไรมากขอเพียงแต่ให้ได้นั่งก็ถือว่าได้กำไรแล้วอ่าบทคำถามแล้วนะพอมีคนรอจะเข้ามาถวายข้าวของอีกเดีย น, นก็ขอยุติการชุมนุม